ที่ชื่อว่าซั์เป็นค่าจีวรได้แก่เงินทองแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วตาแมวแก้วผลึกผ้าได้หรือฝายคําว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวร น, นี้คือทรัพย์ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคําว่าซื้อได้แก่แลกเปลี่ยนคําว่าให้ครองคือถวายคําว่าถ้าภิกษุนั้นในที่ที่เขาเตรียมจีวรไว้ได้แก่ภิกษุรูปที่เขาตระเตรียมทรัพย์เป็นค่าจีวรไว้ถวายโดยเฉพาะ คำว่าเขาไม่ได้ปรารณาไว้ก่อนคือทายกไม่ได้กล่าวไว้ก่อนว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจีวรชนิดไหนกระผมจะซื้อจีวรชนิดไหนถวายท่านคำว่าเข้าไปคือไปถึงเรือนแล้วเข้าไปหาที่ใดที่หนึ่งคำว่ากําหนดชนิดจีวรคือกําหนดว่าขอให้เป็นผ้ายาวกว้างเนื้อแน่นหรือเนื้อละเอียดคำว่าด้วยทรัพย์เป็นค่าจีวร น, นี้คือทรัพย์ที่เขาจัดหาไว้เฉพาะคำว่า เช่นนั้นเช่นนี้คือยาวหรือกว้างเนื้อแน่นหรือเนื้อละเอียดคําว่าซื้อได้แก่แลกเปลี่ยนคําว่าจงให้ครองคือจงถวายคําว่าเพราะต้องการจีวรดีคือต้องการผ้าเนื้อดีหรือผ้าที่มีราคาแพงเขาซื้อจีวรผืนยาวกว้างเนื้อแน่นและเนื้อละเอียดตามคาของพิกษุนั้นต้องอบัตรทุกฏเพราะพยายามจีวรเป็นนิสกีเพราะได้มา